เสียมรับพรรับพรรับธรรทำทำทำมธรรมธรรมบุญเสบารก็ทาแล้วไหว้พระสวดมนต์ภาวนาก่อนนอนได้ทาหรือเปล่าถ้าได้ทำก็ถือว่าได้ทาแล้วถ้ายังไม่ได้ทำต้องกลับไ ป, ไปสวดมนต์ สวดมนต์สายก็ได้หรอกสวดมนต์สายการสวดมนต์การสาธยายน้อมนึกและรึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาหรือเรียกว่าคุณของผู้มีพระคุณทั้งหลายมันจะรวมลงที่คุณแห่งพระธรรม คุณพระพุทธลงมาเป็นพระธรรมคุณพระสงฆ์ก็มาเป็นพระธรรมหรือพระธรรมพระสงฆ์รวมเข้าไปเป็นคุณพระพุทธคือหลักใหญ่ใจความคือพุทธคือใจทุกคนมีใจมีพุทธถ้าต้นไม้มันไม่มีใจหรือคนที่ ตายแล้วจิตใจออกไปแล้ว น, นั่นไม่มีใจคนที่ยังเป็นเป็นยังเดินไปเดินมานึกคิดรับรู้อะไรได้อยู่เรีวยกว่าคนที่มีใจคือมีพุท ธ, ธะมีพุโทโธมีใจรับรู้ได้เพราะท่านน้อมอ้ายพระสวนมนต์เป็นการตั้งใจตั้ง ผู้ลูลูขึ้นมาให้ลู่ตัวแล้วก็การน้อมนึกระลึกเป็นการกวดคือนึกพุโทขึ้นมาหรือนึกแม่ตาปราธนาให้มีความสุขในขณะจิตเรียกว่าพหมวิหารธรรมพหมวิหารธรรม เกิดขึ้นในจิตในผู้รู้ปัถนาให้เป็นสุขยินดีในเมื่อทุกตัวทนตนคนสัตว์มีความสุขแล้วมุทิตากรลุณาสงสารเอ็นดูสงสารเมตตาปัถนา้เป็นสุขกรุณาเอ็นดูสงสารมุทิตา ดีใจหรือว่าพอใจด้วยยินดีด้วยอุเบกขาใชาเ่เวลามีเมตตาหรือแพ่เมตตาหรือแพ่เมตตาแล้วก็ไม่รับแนะนำอบรมสั่งสอนที่แนวทางแล้วก็ยังไม่รับยังไม่รับได้ยังไม่เข้าใจได้ อามกอุเบกขาเนี่ยเขาก็เป็นของเขาเองแหละแต่ทีแรกนี่เราต้องฝึกก่อนฝึกให้รู้แล้วก็ทําใจให้อยู่เป็นกลางๆด้วยความมีสติทําอยู่เรื่อยๆทําอยู่เรื่อยๆเขาก็จะเป็นของเขาจิตเมตตาจิต ก, กรุณาจิตมุทิตาจิตอุเบกขามันเป็นอาการ อันเป็นอาการของจิตนี่สร้างบุญกุศลด้วยเมตตาภาวนานมันก็จะรวมลงเป็นสติสมาธิรวมลงเป็นศีลสมาธิปัญญาอันเดียวเหมือนกันแต่วิธีปฏิบัตินำอุบายการกำหนดเมตตารู้สึกตัวตื่น ขึ้นใจก็รับรู้สิ่งต่างๆเอาเมตตาเป็นที่ตั้งเรียกว่าแพ่เมตตาหรือว่เาเจริญเจริญเมตตาด้วยปัญญาด้วยสติสมาธิปัญญาหรือว่าเจริญมรณ า, านุสติพุทธเจ้าสอนพมหากสปะเธอจงละลึก ไปในกายเนืองว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็มหมายความว่ารวมลงนึกถึงมรณานุสติความตายที่จะมาถึงตนอันนี้ก็เป็นการฝึกเพื่อให้สติสัมปชัญญะสติสมธะปัญญามีความชำนาญ ช่ำชองในี่ให้พึงเข้าใจว่าการภาวนาการไหว้พระสวดมนต์การนั่งสมาธิภาวนาเดินทำสมาธิภาวนาอันดับแรกคือสติระลึกรู้นี่เป็นฐานใครจะเอาอุบายอันใดอันใดเป็นที่ตั้ง <c oughs> สุดท้ายก็รวมม่วยรวมเป็นว่ากิตนี่มี ธรรมะคือสมาธิเป็นเครื่องคุ้มกันมีสติและลึกลู่เป็นเครื่องคุ้มกั น, ม, ลลกก น, ม, กนมีสมาธิเป็นฐานมั่นลงใน จ, ใจิตใจไม่วอกแวกต่ อ, อการให้เกิดความโลภโกรธหลงถ้าไม่ฝึกให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยมันจะ สุดท้ายมันก็กลายเป็นจิตที่เลวตัวต่อความโกรธโกรธหลงเร็วต่อความหลงววควบ ค, คุมเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าฝึกให้รู้ตื่นรู้ตื่นเบิกบานก็หมายถึงว่ารู้สึกตัวภูมขึ้นมาจเจริญเมตตาเป็นอารมณ์เป็นฐานนี่ก็นึกถึงเรื่องเมตตาเรื่องเขาเรื่องเราปรารถนาให้มีความ อยู่เย็นเป็นสุภาสจากทุกขนี่เจริญมรณานุสติแลลึกถึงความตายที่จะมาถึงตนก่อนและลึกถึงอนิจจังทุกขังอนัตตนั่นแหละความตายชีวิตนี่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่เป็นอารมณ์เป็นอารมณ์เมื่อทำชำนิชำนานนี่แลแต่แลแต่ใครจะได้อุบายธรรมะอันไหน เป็นที่ตั้งเป็นที่รูปของใจที่ะระลึกของสตินั้นมันกระทำสิ่งนั้นบ่อยๆแต่ท่านท่านบอกเวลาไว้จึงว่าเอาก่อนจะหลับจะนอนหรือตื่นนอนหรือว่าเช้ากลางวันเย็นเย็นก็หมายถึงว่าก่อนจะหลับจะนอนจะพักจะพอน กลางวันก็เวลาพักจากการทำการทำงานก็ให้ภาวนาเชา้าก่อนจะไปเหมือน ก, นกันกับเราเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเครื่องมือเราจะไปทำการทำงานแหละเตรียมไปแลลวก็ไปทำพอทำเวลาพักก็พักไว้เวลาเลิกก็ต้องเก็บ น, นี่ทำงานภายนอกทำงานภายใ น, นก็เหมือนกันกำหนดไว้สาม เวล า, เ, าเมื่อชำนาญแล้วต่อไปมันก็ไม่มีเวลาแล้วทีนี้เป็นอาการลิโกสติรู้ใจใจรู้ <c oughs> ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอันนี้ป็นการฝึกฝนอบรมรักษาศีลจเจริญเมตตาภาวนาจเจริญปัญญา เรียกว่าใครควรในธรรมใครควรในธรรมธรรมเป็นเครื่องนำออกจากความทุกข์ความวุ่นวายความเดือดร้อนนำออกจากบาปจากกรรม <c oughs> ก็มีให้ทานลักษาะศีลภาวนาเนเท่านั้นไม่มีไม่มีทางอื่นทางอื่นมีแต่เป็นการสั่งสมเข้ามาเพราะฉะนั้นในวันนี้ได้ทำทานแล้ว วันที่แล้วผ่านมาก็เป็นอดีตผ่านมาแต่กําหนดเอาวันนี้แล้วก็มาประมวลปัจจุบันในอดีตความดีทั้งหลายที่ได้กระทาแล้วก็ตั้งใจที่จะทําความดีต่อไปให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอแล้วก็ประมวลเอาการทําความดีให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาอืม เนตตากรุณามุทิตาอเบขาตันยุคาตาเวทิตาธรรมธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่ทําให้มีความแน่นหนามั่นคงของจิตใจไม่ดิ้นรนวุ่นวายไม่กระเพื่อมเรียกว่าเป็นธรรมที่หน้นให้จิตใจของเรามีสมาธิมีความตั้งมั่นได้ดีแล้วก็เป็นนิสัยปัจจัยในการที่จะ สอดส่องเพียรเพ่งพิจารณาของสิ่งที่มันมีขึ้นเกิดขึ้นเราจะเห็นเป็นความดับเห็นเป็นความไม่ใช่ตัวตนลงถึงจิตถึงใจได้นี่เรียกว่าปัญญาเั้นละเมื่อประชุมสติสมาธิและปัญญาเป็นความเห็นชอบอย่างเดียวนี่ว่าความเห็นเป็นธรรมความเห็นเป็นธรรมจะทาให้ สิ้นสุดทุกทั้งหลายทั้งปวงได้สิ้นสุดบาปกรรมทั้งหลายทั้งปวงได้ต่อไปตั้งใจรับพร อ, อนุโมทนาบุญคุศลความดีที่ได้ทําแล้วเผื่อแผ่ถึงบิดามารดาญาติมิตรสรพสัตวทั้งหลายทุกทั้งหน้าอยัยองเปินภู้มีส่วนแห่งบุญส่วนแห่งความดีที่ได้กระทาแล้วในวันนี้ ยะถาวาลิวะหาปุลาปาฏิปูเรนติสังกลังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกปติอิสิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิสตุสเมปุเรนตุสังกปายาโนปณราโสยะถามณีโชติ ราโสยะธาที่โยวิวะชนตุสาบลวงวินายสัตุมะเตบาตตาไรโยสุขิเยงโโกะาปิวัต เนจันเนจังวทานะจาระจาตะโลดาธมะวัฏฐ์เทยญยุยนสุขังอาลัยยังโกนากินานินาเิสอมันิทดีตา เดชลันตังอิทายตถานัสสุรัจจะปิสุยทีติสมุจายานิสินตัวเอตานาปุชาจักกะนาวลลาลามาลัญญาบิโกนามโนปนินังตัวเมียปุญญงปัสตังอนับ อันเทระธนันตยาณุภาเวนธนันญเจรานุลองคาเวราโกจปนุอาอเนคัตายปนัสเตอาสายเสดนังลบัโสทิสกังมาลัง เทวายูจัปนนจาระพุทังคเญสวาสะทวะสะจายูจาระวันตุเตอาวันตุสะบะมังกลังลักสามามุตานุภาเวนัสนา วันทุเตหอาทุสามังหลังลักวันทุสามนวัตาสามัคคนุบเวนะสนาสติวันทุเดหอทุสาบังลังลักุสมนวตาสมัคคานุ นาสะนาสุติหาอันตุตอะไรหังสมาซพร้อมกัน